เกมกรรมบทที่หแรงบีบคันยิ่งถูกบีบคั้นมากขึ้นเท่าใดใจจะยิ่งคิดถึงทางออกที่ถูกต้องน้อยลงเท่านั้นหัวข้อแรงบีบคั้นให้เบียดเบียนกันในเกมกรรมทุกเกม ผู้เล่นทุกคนรู้ได้ด้วยตนเองว่าเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่จะต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการหล่อเลี้ยงชีวิตสิ่งเหล่านั้นคือปัจจัยสทุกคนยอมจำนวนให้ถ้าไม่มีก็ต้องทำให้มันมีหรือถ้ามีอยู่แล้วแต่เริ่มร่อยหรอก็ต้องหาเพิ่มมิฉะนั้นก็ต้องตายสถานเดียวมาดูกันว่าอุปกรณ์เล่นเกมกรรมมีแรงบีบคั้นอย่างไรบ้าง เพื่อจะสืบสาวไปให้เห็นเขาเงื่อนว่าเหตุใดมันจึงเป็นบ่อกเกิดของการก่ อ, อ ก, กรรมต่างๆนานาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 1. ความต้องการอาหารร่างมนุษย์ใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาแบบเดียวกับที่รถวิ่งได้ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงไม่ขาดสายแม้กระทั่งเวลานอนหัวใจยังสูบฉีดโลหิต ปอดกับกระบังลมยังต้องสูบพ่นลมเซลล์ยังต้องเกิดใหม่ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานทั้งนั้นพลังงานมาจากอาหารอาหารเป็นได้ทั้งพลังงานให้เคลื่อนไหวเป็นได้ทั้งธาตุหล่อเลี้ยงอวัยวะให้คงรูปตลอดจนเป็นได้ทั้งภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงพอจะต่อต้านสิ่งบุกรุกรอบด้าน เมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องกินอาหารอาชีพค้าขายอาหารจึงเกิดขึ้นพ่อค้าอาหารอาจเลือกที่จะฆ่าสัตว์มาทำอาหารเพราะเห็นว่าได้เงินดีเป็นที่ต้องการมากหรืออาจเลือกทำอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์แม้ได้เงินน้อยกว่าก็มีความสบายใจกว่ากัน2ความต้องการที่อยู่อาศัย ร่างมนุษย์ไม่อาจทนทานดินฟ้าอากาศอย่างน้อยต้องอาศัยที่มุงบังเพื่อให้กายอยู่สบายพอต่อให้เป็นคนร่อนเร่พนเจนจรหมอนนินก็ต้องการร่มไม้หรือชายคาเมื่อแสงแดดแผดจ้าเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องมีที่อยู่อาศัยอาชีพขายบ้านขายห้องพักจึงเกิดขึ้นพ่อค้าบ้านอาจต้องไล่ที่คนจน เกื้อปลูกบ้านจัดสรรให้คนรวยหรืออาจตัดสินใจใช้วัสดุราคาถูกที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในภายหลังแต่หากทำทุกอย่างถูกต้องมีจิตอนุเคราะห์หวังให้ลูกค้าได้อยู่สบายหลับสบายก็นับเป็นอาชีพเกือ้อกูลมหาชนได้เช่นกัน 3. ความต้องการเครื่องนุ่งหม่ม ร่างมนุษย์มีอวัยวะเร้นลับที่น่าละอายหากต้องนำมาเปิดเผยโจ่งแจ้งต่อให้ความรู้สึกของบางคนจะวิปริตบิดเบี้ยวจากธรรมชาติอยากอวดเนื้ออวดตัวท้าสายตาสาธารณชนก็ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับสังคมหมู่มากกฎหมายเกือบทุกประเทศจึงห้ามไม่ให้แสดงอวัยวะเพศอย่างโจ่งแจ้งเว้นแต่จะเป็นสถานที่จัดไว้โดยเฉพาะ เมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องมีเสื้อผ้าอาชีพขายเสื้อผ้าจึงเกิดขึ้นพ่อค้าเสื้อผ้าอาจเลือกที่จะสั่งเคราะห์ผ้าเนื้อดีที่ไม่ทำลายธรรมชาติมาจำหน่ายหรืออาจถลกหนังสัตว์บางชนิดมาทำเสื้อผ้าราคาแพงก็ตามแต่อัตยาใสย 4. ความต้องการยารักษาโรคร่างมนุษย์มีความอ่อนแอ โดนร้อนโดนหนาวหนักไปหน่อยก็ไม่สบายป่วยไข้ได้แถมติดเชื้อโรคในอากาศเพียงแค่เดินผ่านไปในย่านแพร่เชื้อก็ได้จำต้องมียารักษาโรคมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องใช้ยารักษาโรคอาชีพผู้ผลิตยาจึงเกิดขึ้นและเภสัชกรผู้จ่ายยาก็ตามมาบริษัทยาอาจต้องใช้ชีวิตหนูทดลองไปมากมาย กว่าจะได้ยาใหม่สักตัวหรือมีสิทธิ์เป็นผู้ให้ทุนวิจัยกระทั่งค้นพบยาใหม่เป็นเจ้าแรกโดยหวังกลวยเงินจากคนป่วยทั่วโลกก็ได้หรือหวังปกป้องรักษามนุษยชาติไม่ให้ตกอยู่ในเงื้อมภัยของโรคที่ไม่มียารักษาก็ได้ส่วนเภสัชกรผู้จ่ายยาอาจเลือกยาดีด้วยความคิดอนุเคราะห์ผู้ป่วยให้หายดีทันทีก็ได้ หรือเลือกยาที่ช่วยให้ดีขึ้นแต่ไม่หายขาดแบบหวังเลี้ยงไข้ก็ได้จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตที่สำคัญสูงสุดคืออาหารและอาหารก็ถือเป็นต้นเหตุอันดับหนึ่งที่บีบให้สิ่งมีชีวิตต้องเบียดเบียนกันเห็นชัดที่สุดก็ในหมูสัตว์ป่าที่ต้องอาศัยชีวิตของสัตว์อื่นเพื่อต่อชีวิตให้ตนเอง การเลือกอาชีพเบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นเรื่องของผู้ผลิตสำหรับผู้บริโภคไม่ได้ร่วมเบียดเบียนด้วยเพราะ ก, ก่อนถึงเวลากินก็มีสัตว์เป็นศพอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยกำลังใจในการทำให้สัตว์ตายฟังผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อรู้เห็นเป็นใจวงการฆ่าสัตว์อย่างรู้ว่ามันจะตายเพื่อมาให้ตนกินเหมือนเช่นที่เห็นในร้านอาหารบางแห่ง ที่ให้ชี้ได้ว่าจะเอากุ้งปูตัวไหนมาจัดการนั่นก็ถือว่าทำกรรมในการประหารชีวิตร่วมกันแล้วกับพ่อค้าส่วนผู้บริโภคในสังคมทุนนิยมนั้นเงินเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยสี่อันสลักสำคัญยิ่งบีบคั้นให้มนุษย์ต้องทำงานเพื่อหาเงิน อย่างไรก็ตามทางมาของเงินไม่จำเป็นต้องด้วยวิธีทํางานเสมอไปลูกเศรษฐีอาจใช้วิธีแบมือของเงินพ่อแม่ไปตลอดชีวิตโดยไม่มีใครเดือดร้อนส่วนลูกชนชั้นกลางที่มีรายได้น้อยก็อาจใช้วิธีไถบุพการีโดยไม่สนใจว่าพวกท่านจะต้องลำบากหาเงินไปจนแก่เท่าอย่างไรหรือดีขึ้นมากว่านั้นหน่อย คือบากหน้าไปขอยืมเงินคนรู้จักแบบตั้งใจจะใช้คืนแต่ถ้าใช้คืนไม่ได้ก็หลบลี้หนีหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องคืนกันดื้อๆและในที่สุดแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้จะขอยืมหรือรีดไถยใครก็อาจต้องปล้นคนไม่รู้จักแล้วค่อยอ้างเอาในสารว่าไม่มีทางเลือกอื่นอีกการปล้นก็ยังแบ่งออกเป็นหลายแบบ ทั้งปล้นแบบย่องเบาปล้นแบบช่อชนซึ่งหน้าปล้นแบบเหนือเมฆระดับชาติแต่จะอย่างไรก็เข้าขายลักทรัพย์ทั้งสิน้นหากเกมกรรไม่มีแรงบีบคั้นเป็นปัจจัยสี่อย่างน้อยที่สุดการจี้ปล้นระดับล่างๆจะสาบสูญไปเหลือแต่การปล้นและการช่อชนในระดับสูงๆขึ้นมาชนิดที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่นปล้นเพชรปล้นรถยนต์ปล้นชาติปล้นแผ่นดินเป็นต้นจะเห็นว่าเพียงด้วยปัจจัยสี่ก็ก่อให้เกิดกรรมทั้งฝ่ายหาเงินมาซื้อและฝ่ายจัดหาสินค้ามาขายมีการแข่งขันมีการตลาดมีการแย่งชิงมีการเอารัดเอาเปรียบมีการเพียรพยายามเพื่อทำเป้าก่อให้เกิดอาชีพก่อให้เกิดวงจรกรรม แห่งการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับกล่าวอย่างรวบรัดที่สุดความจำเป็นของปัจจัยสี่ทำให้เกิดพื้นฐานรองรับวงจรกรรมดีกรรมชั่วได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว